ท่านฟังที่เคารพค่ะรายการสันสนีสนทนาในวันนี้เราใช้เวลาค่อนข้างจะได้เต็มที่คุ้มค่าเพราะว่าไม่ได้เจอกัน2วันเนยนะคะอัดอั้นถือตามรับฟังรายการได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะและสำหรับท่านที่ต้องการจะติดต่อสื่อสารกับทางรายการนี้หมายเลขโทรศัพท์ 02-269-00-06 นะคะ 269-00 ข้างหน้าศูนย์สองเราก็ยินดีที่จะนำเอาข้อเสนอแ น, นะหรือว่าประเด็นคำถามของท่านมากราบเรียนพระอาจารย์ซึ่งเป็นผู้ดำเนินรายการสำหรับรายการสังสนีสนทนาในปี2553ถ้าท่านฟังตั้งแต่ตอนต้นก็จะได้มีการเข้าถึงพระสูตรขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเต็มๆประกอบกับการที่ได้ปฏิบัติธรรมสักนิดหนึ่งก่อนที่จะ ประกอบกิจาการงานต่างๆในแต่ละวันนะคะได้เข้าถึงพระพุทธศาสนาในลักษณะของการปฏิบัติไปพร้อมๆกันด้วยค่ะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการและพบกันได้ใหม่ในสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติอีก154สถานีกับรายการนี้และดิฉันสรมสี น, สนันพง์นะคะสวัสดีค่ะ